ถึงพากันตั้งใจบัดนี้ถึงวาระที่เราจะต้องสำรวมใจให้นแน่วแน่เราถือโอากาสการที่มาชุมนุมกันนี่แหละเป็นการฝึกจิตใจส่วนหนึ่งถ้าเราไม่มีกติกาการประชุมอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่ บางคนก็เลยไม่สำรวมจิตใจตัวเองก็มีสำรวมใจตนเองไม่เป็นก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีระเบียบของการประชุมก็เพื่อที่จะได้พร้อมใจการฝึ ก, กจิตใจตัวเองให้มัน สงบระงับเหมือนๆกันไม่ให้มันออกนอกกลู่นอกทางให้มันดำเนินเข้าสู่ในทางเดียวกันเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นเป็นศานสานาแห่งความจริงถ้าให้ผู้ปฏิบัติตามหรือผู้ ฟังทั้งหลายนั้นพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเลยไม่มีข้อลี้ลับอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นการที่เรามาฝึกจิตใจนี้ก็เพื่อที่จะได้พิสูจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละว่าเป็นความจริงเพียงใดที่ว่าผู้ปฏิบัติ ยอมรู้เองเห็นเองสามารถเรียกให้ผู้อื่นมาดูได้แล้วก็ไม่อ้างการอ้างเวลาทำได้ทุกเมื่อแล้วก็เห็นผลในปัจจุบันนี่แหละเห็นผลประจักษ์แจ้งชัดในจิตใจตัวเองไม่ต้องไปคอยเชื่อชาติหน้าชาติไหนอะไรเลยนี่ความ เป็นไปแห่งพุทธศาสนานะควมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้หมายความว่าเราปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่ผู้ใดจะปฏิบัติอยู่ในขั้นใดก็ต้องให้เห็นแจ้งประจักษ์ในขั้นนั้นโดยตนเองเช่นอย่างว่าผู้มีศรัทธา ทำบุญบริจาคทานอย่างนี้นะก็ต้องได้พิจารณาถึงทานการให้ที่ตนกระทำบาเพ็ญมานั้นอนะ่ะมันมีผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างมันช่วยให้ตนมีความสุขความสบายได้อย่างไรบ้างผลแห่งการให้การบริจาคนั้นอันบรนี้ผู้บริจาคทานมันจำเป็นจะต้องได้พิจารณา ให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่เช่นั้นแล้วก็เรียกว่าทำไปแบบงมงายอันนั้นไม่ถูกตามคำสอนของผู้ใจเจ้าคำสอนของผู้ใจเจ้านั้นทรงสอนให้คนเรานั้นรู้แจ้งในกิจกรรมที่เราทำนั้นไปพร้อมกันไปเลยไม่ใช่ทาความดีระหวังแต่เอาผลชาติหน้านนทนอย่างเดียว ชาตินี้ไม่เอาเลยอย่างนี้อันนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องให้ได้เห็นผลในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าผลของการให้การบริจาคทานนี่นะมันเป็นผลทางด้านจิตใจไม่ใช่เป็นผลทางด้านวัตถุซึ่งกอบผลทานมันจะอำนวยให้ ได้ร่ำรวยมั่งมีขึ้นมาทันอกทันใจเลยอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้เรื่อมันนะทั้งนี้เพราะอะไรมันจึงเป็นไปไม่ได้กฎธรรมดามันมีอย่างนั้ น, นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าเมื่อกรรมเก่าที่บุคคลคนนั้นทํามาแต่ชาติผลลัพธ์ลนกนะ มันยังให้ผลอยู่เนี่ยกรรมใหม่ที่บุคคลกระทาในชาตินี้มันยังให้ผลไม่ได้มันจะไปก้าวไายกันอย่างนั้นไม่ได้เลยมันบุญเก่านั้นมันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ขึ้นมาแล้วก็ให้มีความสุขความทุกข์ตามกําลังของบุญกรรมที่ผู้นั้นทามาในชาติก่อนอ สุดแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาติชาติก่อนมันจะอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้มากน้อยเพียงใดนั่นเป็นหน้าที่ของบุญเก่ากรรมเก่าที่พวกนั้นทำมาติชาติก่อนไอ้นี่พูดถึงอัตภาพร่างกายนี่นะเนี่ยแต่ทางด้านจิตใจแล้วทางบุญเก่าบุญใหม่นั่นแหละสมทบกันเข้าไปเลยแบบนี้ทาให จิตใจนั่นมันสงบเยือเกเย็นสบายเมื่อบุคคลได้ทำความดีอะไรลงไปแล้วนะมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จิตใจสบายการที่บุคคลจะมีศรัทธาให้ทานได้ก็เพราะอาศัยบุญเก่านั่นแหละที่ทำมาแต่ก่อนนะมันเป็นนิสัยติดตามมา คือว่าพูด ง, ง่ายว่าผู้นั้นเคยได้ทำบุญบริจาคทานมาแต่ชาติก่อนนูน่นจนชินในใจนั่นแหละจนใจเชื่อมั่นในทานในผลของทานนั้นอันนี้นะบางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมอะ่ะเกิดมาชาตินี้จึงไม่มร่ำรวยถ้าหาว่าได้ทาทานมามากๆ บางทีมีศรัทธาจริงหองในชาติก่อนนน้นนะแต่ว่ามันไม่มีเงินทองเข้าของมากมายอะไรที่จะมาให้ทานได้ในชาตินั้นนะมันมีเงินทองเข้าของเพียงเล็กน้อ ย, ยแล้วก็ให้ทานแต่เล็กๆ ก, ก, กน้อยนอยไปแต่ศรัทธานั้นเชื่อเชื่ออยู่เชื่อทานเชื่อผลของทานนะแต่วัตถุทานส่มันน้อยอนั่นแหละ มันนี้เวลามันให้ผลมามันก็ให้ผลตามตามนั้นแหละตามน้อยนั้นเองนะมันเป็นอย่างนั้นและในผู้ที่เขาร่ำรวยในปัจจุบันนี่โดยไม่ต้องได้ชอ่อได้โกงเอาของใครมาหาได้โดยทางชอบอย่างนี้แสดงว่าในชาติก่อนนั้นเขาได้ให้ทานมาเขามีเงินมีทองมีเงินมีทองมากแล้วก็มีศรัทธามาก ศรัทธาแรงกล้านั่นแหละมันประกอบกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผลทานมันถึงมาอำนวยให้ในชาตจตวารนี้มากมายจึงสมกับว่าสเพสตากรรมมัชากากรรมทายาทานนั่นแะสัตว์ทั้ทงหลายมีกรรมเบนข อ, ของตนน่ะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำมานั้นพระศาสดาก็ทรง ตรัสยืนยันอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปเชื่ออะไรอีกนอกจากนี้บอกไปถ้าเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็ต้องเชื่อคำสั่งสอนของพระ อ, องค์นี่เมื่อรู้ว่าแต่ก่อนโน้นตนคงจะทำความดีไม่มากมันถึงได้มีชีวิตยอยู่ขนาดนี้เมื่อรู้ตัวนี่เราก็ชาตินี่เราก็รีบเร่งทาความดีให้ ม, มากๆเข้าไป สิ่งใดมันชั่วก็พยายามหลีกเว้นออกไปให้ห่างไกลขวานขวายกระทาคุณงามความดีให้มันเต็มความสามารถเลยในชาตินี้โดยเฉพาะการทําความดีนี่มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรทําความดีกับด้วยกายทําความดีด้วยวาจาทําความดีด้วยใจก็สามทวาร น, นี้เท่านั้นเองแหละ ไม่ใช่ว่าจะไปเอาอันอื่นทำความดีเอากายนี่ทำความดีทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่เกียดคราดการงานที่มันทำให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้แหละแล้วก็สิ่งใดที่มันจะนำทุกนาโทษมาให้แกต่ตนและผู้อื่นแล้วไม่ทำหลีกเลี่ยง แต่ถ้าทำความดีแล้วพอยังไปทำความชั่วยังไปเบียดเบียนผู้อื่นอยู่อย่างนี้มันมันไม่ถูกต้องเลยถ้าทำความดีแล้วมันต้องเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เ, เช่นนั้นมันถึงไม่มีบาปเข้ามาแทรกแซงชีวิตนี้ก็จึงเยบริสุ์พุทพองอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเอาวาจาทำความดี อย่างนี้ทุกคนก็ไปหยัดวาจาแต่ละวันแต่ละคืนถ้าหากว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะควรจะพูดแล้วไม่พูดเราถนอมวาจาไว้พูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันต้องอย่างนั้นแล้วก็พูดจะคําสัตว์คําจริงเรื่องไม่จริงไม่เจตนาพูดเลย ไม่พูดสอเสียให้ใครแตกราวสามัคคีกันพูดแต่ให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันเป็นผู้มีวาจาฉลาดเฉลียวหา อ, อุบายพูดให้คนที่ทะเลาะวิวาทกันนั่นให้ปองรองสามัคคีพันได้ผู้พูดเช่นนั้นได้มันก็ได้บุญจากวาจาของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ หัดพูดแต่คําอ่อนหวานไม่พูดคาหยาบคายต่างๆไม่พูดเพ้อเจ้อเล้วไหลประหยัดคาพูดดังกล่าวมานั้นแหละถ้าไม่จําเป็นแล้วไม่พูดเลยอันนี้นะพ่อเป็นการบําเพ็ญกุ่สนความดีทางวาจานี่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องฝึกกล่าววาจานี้ให้มันดีให้มันมีประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น ทว่าทําความดีนะั้เราไม่ฝึกกายวาจานี่ไม่ทราบจะไปฝึกอะไรนะจะไปทําความดีโดยทางไหนลนะ่ะลองคิดดูนั่นเนี่ยทว่าทําความชั่วมันก็เหมือนกันนั่นเนี่ยมันก็เอากายเนี่ยไปทําเอาวาจาเนี่ยไปพูดแต่มีใจเป็นผู้บงการทําความดีทางใจนี่สําคัญมากเมื่อ ควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําความดีทางใจแหละเพราะว่าใจพุทุชนคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันมีกิเลสคอยเป็นมารคอยครอบงําให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบอยู่บ่อยๆอย่างนั้นดังนั้นแหละมันก็จึงต้องได้ควบคุมเมื่อหัว่าตนปรับปรุงจิตใจของตนให้ เป็นสัมมาทิฏฐิคือว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบขึ้นในใจได้แล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นถูกเห็นชอบอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่นี่เดียวว่าเราทำความดีทางใจมันก็ต้องพยายามรักษาความดีของจิตใจไว้อย่าให้มันเสื่อมนั้นแหละอ้การที่จิตใจมันจะเสื่อมจากความดี ก็เพราะเหตุว่าไปรู้อำนาจแกกิเลสนั่นแหละเช่นอย่างว่าเมื่อเหตุแทงความโลภมาถึงเข้าก็คิดโลภเล่งเพ่งเลงไปทางไม่ดีไม่งามไม่ทางทุจริตซะเหตุแทงความโกรธมาถึงเข้าเอาจิตใจก็เพ่งเลงไปทางโกรธเข้าไปไม่ไม่ได้หักห้ามตัวเองไม่ได้ทวนกระแสจิต เข้ามาในปัจจุบันอันนี้นะนี่เรียกว่าการฝึกจิตใจนี่นะไม่ให้รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้รู้จักห้ามจิตตัวเองให้ได้เวลาเหตุแห่งความชั่วเหล่านั้นกระทบกระทั่งเข้ามาถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุ อันชั่วร้ายอย่างนั้นกระทบกระทั้งว่ามันก็ดีทุกคนนั่นแหละใจนี่มันก็ดีเหมือนกันทีนี้เหตุที่มันจะไม่ดีได้ก็เพราะว่าเวลาไม่มีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วคนส่วนมากมันชักจะเผลอไม่รักษาใจอ่ะอสติห่างจากการครอบก่อประคับประคองจิตใจนี่ เพราะว่าเผลอตัวอยู่นั้นแล้วเวลามีเหตุอันชั่วร้ายกระทบกระทั่งเข้ามามันรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแล้ววันนี้เผื่อว่าจะมาควบคุมจิตที่ไหนได้จิตใจมันหลงไปตามอารมณ์นั้นแล้วมันไปยึดอารมณ์นั้นเพราะกิเลสให้เกิดขึ้นแล้วเพราะความโลภให้เกิดขึ้นเพราะความโกรธให้เกิดขึ้นแล้วกว่าจะมารักกันลงได้นี่ก็ต้องออกแรงไม่ใช่น้อยทีนี้ บางคนก็เลยปล่อยามเลยปล่อยให้มันครอบงำจิตใจไปนี่หนละได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ไม่ทำความดีทางใจน ะ, ะใจมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสอย่างนั้นแหละไม่รักษาใจผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสอย่างว่านั้นได้มันก็ต้องมีสติสมัติเนี่ยขอยระมัดระวังรักษาจิตตรงนี้เสมอไป ทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทำการงานอะไรก็มีสติประคับประคองจิตนี้ไว้ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในไปกรวดดูจิตดูใจอันนั้นให้มันแน่วแน่กรวดดูร่างกายสังขารให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเสมอไปเดี๋ยววารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันเป็นปกติไปเรื่อย ปกติรู้ปกติเห็นนี่นะเห็นะเห็นยังไงก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละรู้ก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแหละเมื่อรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างว่านั่นแล้วก็ปลงก็วางออืเมื่อปลงวางแล้วจิตใจมันก็เป็นอุเบกขามี ท่านเรียกว่าอุเบกขาญาณทัศนะจิตใจวางเฉยพร้อมด้วยความรู้ความเห็นอันถูกต้องความรู้ความเห็นที่ไม่แปรปวนไปทางอื่นเรียกว่าเมื่อมันเห็นจริงอย่างไรตามเป็นจริงแล้วมันไม่สงสัยอะไรเมื่อมันไม่สงสัยแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ได้เลยจิตนี้นะถ้ามันยังหยุดนิ่งไม่ได้ แสดงว่ามันยังไม่รู้จริงมันเห็นอยู่เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็เห็นแต่ว่ามันเห็นในขั้นหยาบๆมันไม่เห็นในขั้นละเอียดลงไปมันไม่สามารถที่จะถอนกิเลสอย่างละเอียดนั้นออกไปได้กิเลสอย่างละเอียดนั่นแหละมันก็มาเป็นมาร์นปะนี่ขอยรบกวนจิตใจ ให้สงบลงไปแนบแน่นไปไม่ได้สงบอยู่ได้ไม่นานสักหน่อยกิเลสทวนละเอียดแล้วมันก็โผล่ขึ้นมารบกวนจิตนี้ให้ถ อ, อนจากสมาธิให้วิตกปวิจารณ์ไปต่างๆเพราะเหตุนั้นท่านยังสอนให้เจริญปัญญาต่อ น, นั่นเลเมื่อเวลาจิตใจมันสงบลงไปแล้วแม้มันจะสงบอยู่ในขั้นหยาบยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ ก็ตามแต่รู้เมื่อรู้ว่าจิตนี้มันเริ่มจะถอนออกจากสมาธิแล้วก็เลยกำหนดเรื่องที่จะพิจารณาต่อไปแล้วเราคิพิจารณาเรื่องอะไรบ่านี้อย่างนั้นเนี่ยเมื่อกำหนดเรื่องต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นต่อไปเพ่งพิจารณาค้นคว้าให้จนมันเห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริง เมื่อมันเห็นแจ้งในเรื่องนั้นจำเป็นจริงแล้วมันก็จะปล่อยวางเอปล่อยวางแล้วทีนี้จิตมันรวมลงไปแบบนี้มันก็ละเอียดเข้าไปกว่าเก่าเพราะว่าปัญญามันอบรมจิตนี้เข้าไปแล้วเหมือนอย่างช่างถากักไม้นั่นแหละถากรอบแรกนี่มันก็หยาบถ้า รอบที่สองเข้าไปผลละเอียดเข้าไปกว่านั้นนี่านี้นั่นแะหละรอบที่สามเข้าไปยิ่งละเอียดเข้าไปอีกนั่นถึงแกนเลยกว่านี้นะนั่นเนี่ยมันก็จะมีกระพี้ติดอยู่ที่แกนนั้นบ้างรอบที่สี่เนี่ยไม่ใช่ขวานแล้ววันนี้นะก็เป็นกบแล้วเลียไปเลยอ อะไรกับพี่อะไรนิดหนึงก็ไม่ได้ติดอยู่ที่แก่นเลยวันนี้นะออกไปหมดเหลือแต่เนื้อไม่ล้วนเลยเนี่ยมันเมื่อทํางานเข้าไปเท่าไรเครื่องมือมันก็ต้องเปลี่ยนชุดกันไปเรื่อยต้องละเอียดเข้าไปเครื่องมือก็ดีทีแรกก็ใช้เครื่องมือหยาบอันนี้ไม่ผิดกันเลยกับการเจริญสมถะอิปัฏนานนะ เทียบกันได้เลยกับเรื่องถากไม้นี่นั่นแหละเราเจริญธรรมถ่ายวัฒนาทีแรกมันก็เพ่งอสุภะกรรมฐานอย่างนี้นะน่นเพ่งดูร่างกายเห็นต็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมอมต่างๆก็ตามธรรมดาคนเรานี่เมื่ออ่ามน้ำชำระกาย ก็ไปแล้วก็ปรากฏว่าร่างกายนี้ไม่เห็นมันโชกโภคตรงไหนอะเนี่ยมันเป็นเหตุให้ลืมตัวคนเรานะ่ะมองดูแล้วเห็นมันสะอาดอยู่นี่อของมันมองดูกันตั้งแต่ภายนอกดูแต่ผิวหนังนะ่ะมันก็เห็นว่ามันสะอาดนะแต่ถ้าหาว่ากําหนดทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเพ่งดูอวัยวะต่างๆของร่างกายภายในเนี่ย มันก็จะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่จะสะอาดสดสวยไม่มี น, นี่นะมีแต่ส่วนโสกครบแต่คนผู้ที่ตกเป็น่าแตแห่งความรักค ว, ความใคร่มันก็ไม่ปรารถนาอยากจะมาเพ่งดูว่าดูร่างกายอันนี้จะเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเนี่ยเพราะว่ามันกลัวความรักนั้นมันจะจืดจางไปเสียก็เลยไม่ชอบที่จะพิจารณานั่น เช่นนั้นก็แสดงว่าผู้นั้นน่ะมีอุปท า, านในกามมคุณอยู่หรือว่ายังมีความใคร่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆอยู่ในโลกนี้ยังเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของสวยงามน่ารักน่าใคร่ให้ความสุขแก่ตนได้อยู่เหตุนั้นถึงไม่ปรารถนาอยากจะพิจารณาเลยแต่สำหรับผู้ที่ ได้มีบุญมีวาสนาอันแรงกล้าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบุญกุศลที่ตนอบรมทั้งสมมามากมากอันนั้นน่ะมันก็มาดนจิตดนใจนี้ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ถูกต้องเรียก ว, ว่าหมุนไปหาทางแห่งความรู้ยิ่งเห็นจริงรู้อะไรเนี่ยรู้ครึ่งคึกลางๆนี่ไม่ยอมธรรมดาคนมีบุญนะ่ะ รู้อะไรต้องให้รู้ให้ให้เข้าถึงความจริงต้องค้นคว้าหาเหตุาผลเรื่องนั้นให้ให้เห็นอ จ, จักโดยแจมแจ้งจึงค่อยเชื่อธรรมดาคนมีบุญมากนะนั่นแหละบุญมันบันดาลให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าคนทั่วๆไปนะั้นน่ะก็สามารถจะพิจารณาได้เลยอ น, นี้ไม่แล้ว ถ้าอย่างนั้นน่มันก็เป็นอรหันต์กันหมดแล้วสิโลกอันเนี้ยถ้าไม่ต้องเกี่ยวกับบุญกับวาสนานะนั่นทีนี้สังเกตดูแล้วในโลกอันนี้นะคนที่มีบุญมีวาสนาอย่างแรงกล้านะ่ะมีน้อยเต็มทีดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่มาสนใจในการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงความรู้ยิ่งเห็นจริงนี่นะมีปริมาณน้อยเต็มทีเลย นั่นแหละเราสังเกตดูก็แล้วกันนยะเมื่อสังเกตดูได้อย่างนี้เราจะเราก็เห็นแจ้งเลยว่าเชื่อมั่นลงไปเลยว่าการที่บุคคลจะมาํำละจิตใจให้บริสุทธิ์ถึงวิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาได้นี่ต้องอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคนไม่ขเม้นสั่งสมบุญกุศลแล้ว ไม่มีทางหรอกมันจะไปก้าวหน้าไปเลยความรู้ความเห็นภายในจิตใจนั้นมันย่ําทอกอยู่ของเก่านั่นแหละว่าอย่างทําความดีก็ให้เชื่อมั่นในทานในผลของทานไปอันนั้นแหะเป็นเหตุให้ได้ผูกพันอยู่กับศาสนาแต่ว่าการที่จะมาบําเพ็ญดังจิตใจให้ละความโลภความกโกรธความหลงอะไรออกจากจิตใจไปอย่างนี้นะ่ะมันมันฟืด มันไม่มีความสามารถคือกำลังสติกำลังสมาธิปัญญาอะไรก็น้อยออทำไม่ได้นั่นแหละลองสังเกตดูทั้งนี้ก็เพราะอย่างว่านั่นแหละเพราะว่ากำลังการให้ทานมันก็น้อยไปกำลังของการรักษาศีลมันก็น้อยการสุรวมในศีลมันก็ไม่ไม่มาก เมื่อเมื่อขาดศีลนี่ซะอย่างเดียวแล้วล่ะการที่เราจะบำเพ็ญคุณธรรมให้สูงทําใจให้สงบจเจริญปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่นะพูดกันอย่างให้เข้าใจให้เข้าใจเหตุผลเรื่องนี้เรื่องเรื่องความก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติธรรมแต่การให้วัตถุสิ่งของเป็นทานนั้นไม่สําคัญเท่าเท่าศีลเลยบ้านี้ นั่นเองอันการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานนั้นก็สุดแล้วแต่ผู้ที่จะให้ได้เท่าไรไม่มีจำกัดจำเคียอะไรแต่จำกัดลงีกจริงคือสินนี่นะนั่นแหละจะเป็นนักบวช ก, ก็ตามเป็นเครือหัดก็ตามถ้าหากว่าไม่ตั้งใจจะรักษาสินให้บริสุทธิ์แล้ว จะมาปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้ให้สงบระ ง, งับจริงจังหรือให้เกิดปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นยากเต็มทีลนะ่ะพูดง่ายๆเรียก ว, ว่าเป็นไปไม่ได้กันแล้วกันล่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดต้องการอยากจะนำชีวิตของตอนนี่ให้ก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงหรือว่าก้าวไปสู่ความสุข ท่านสูงนั้นน่ะมันก็ควรที่จะสนใจในเรื่องศีลนี่ให้มากๆตรวจ ด, ดูอาการกายวาจาใจของตนทุกวันทุกคืนว่าตนนั้นได้ตั้งเกียตนาลงที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วหรือยังตนมี ส, สมติสัมปชัญญะระมัดระวังความบกพฤติทางกายวาจาอยู่หรือทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเนี่ย นี่มันต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่อยมาโดยลำดับถ้าเมื่อเห็นว่าตนนั้นมีสัจจกความจริงใจอยู่ในสินจริงๆจะทำอะไรพูดอะไรก็คำนึงถึงสินทุกทีถ้าเห็นว่าผิดสินแล้วไม่ทำไม่พูดถ้าเห็นว่าถูกแล้วจิงค่อยทำค่อยพูดมาถ้าทางด้านจิตใจก็พิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอว่า ความคิดของจิตใจในขณะนี้เนะี่ะมันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยเราต้องพิสูจน์เลยความคิดที่ไม่เป็นธรรมมันก็มีนะความคิดที่เป็นธรรมมันก็มีนี่ความคิดที่ไม่เป็นธรรมนั่นมันความคิดมันเกี่ยวกับความลำเอียงนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอาคติสี่นั่นเองนะใจมันลำเอียงไป ด้วยอำนาจแห่งความรักก็มีอ่าอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผูใ้ใดเผลอเผอคิดรักในอารมณ์ต่างๆเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ให้รู้ตัวเลยว่านั่นความคิดอันนี้ไม่เป็นธรรมแล้วเป็นกิเลสไปแล้วอบางคราวมก็คิดไปในเรื่องแห่งความชังความโกรธอย่างนี้นะนี่เป็นความคิดที่ไม่เป็นธรรมอ่ะ แต่คนส่วนมากไม่ได้รู้ตัวหรือว่ารู้แต่ว่าไม่เห็นโทษของมันนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอ่าทาไมคิดโกรธใครมา ก, ก็ปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันคิดไปอย่างนี้นเลื่อยเอยไปอะจนกว่ามันจะดับไปเองมันไอ้เช่นนั้นอ่ะมันมันไม่ดับแล้วความคิดนั้นมันยึดถือเอาไว้แล้วไอ้กิเลสเราเนี่ยมันจะดับได้นะเพราะว่ามันเกิดขึ้น เผอเผอแล้วมันเกิดขึ้นในขณะใดก็รู้ตัวเวลานั้นรู้ตัวว่าจิตใจตนมันเดินผิดทางแล้วก็รีบสำรวมใจเข้าไปอย่าปล่อยให้ใจนั้นมันเพาะกิเลสให้มีกำลังกล้าขึ้นมารีบละมันเสียกำหนดละไปเรื่อยๆไปอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่มีกำลังแก่กล้าได้ออนี่แหละ เมื่อละมันได้แล้วจิตใจมันก็เป็นกลางลงไปไม่รักไม่ชังอะไรทั้งนั้นเลยแล้วพิสูจน์ตัวเองว่าตนเองเมาความคิดความนึกของตอนเองเรื่องอะไรบ้างในปัจจุบันเนี่ยตนเองยังเมากับเรื่องอะไระมันมีคนเราเนะ่ะเมื่อมันยังกำจัดความหลง ช, ชนิดนั้นยังไม่ได้อะไนี่ใจมันก็สักจะไหลไป ตามเรื่องที่ตนหลงตนมเมามานั่นแหละไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องรู้ได้ด้วยตนเองไงคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เล ย, เ, ยเอาตนเองรู้จักทุกไหมเนี่ยลองพิสูจน์ดูอ่เคยคิดไหมว่า ป, ปัจจุบันร่างกายขันห้านี่เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากอย่างนี้เคยได้กําหนดรู้ไหม นั่นแหละแล้วเคยพิจารณาไหมว่าอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยทีพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหานเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์นะตนเห็นด้วยไหมตนเห็นตามไหมหมู่นี้นะมันถ้าหาว่าบุคคลไม่น้อมกระทวนกระแสจิตเข้าไปคิดไปพิจารณามันไม่รู้แจ้งความจริงเหล่านี้เลย